หมดเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโม <c oughs> งตอนนี้ไม่มีเสียงเลยทานนี้ฮะฮะไม่มีไม่มีเสียงเลอมันไม่มีเสียงใหม่เหรอไม่มีไหม <c oughs> ทำไมไม่ใช่อ่ะโอ๊ย <c oughs> ตรวดวมลถทาเสียงไม่เพาะเอ้ยเสียงไม่พร้อมกันจหวะจะคนไม่เข้ากันเสียงไม่เข้าอีกตังหากสวดไม่ไพเราะถ้าเราสวดได้แล้วท่านให้พยายามตั้งใจสวดให้ไพเราะ มันกลมกล่อมฟังดิบฟังดีควรยาวควรสั้นควรเอื้อนเสียงแต่เสียงสั้นอาจจะเอื่อนไม่ได้ต้องเสียงยาวเอื่อนยาวๆได้ที่สําคัญที่สุดคือเสียงต้องเข้ากันเสียงจะเข้ากันจะต้องปรับให้เข้ากันเสียงสูงเกินไปเสียงต่าเกินไป ยังปรับคนสูงก็ปรับลงมาคนต่ำก็ปรับขึ้นมาให้เข้ากันไม่ใช่ต่างคนต่างว่าไปค น, นละที่ละทานเราก็ว่าไปอยู่างนั้นแหละนะมันไม่น่าฟังมันเหนื่อยน่าฟังตอนที่เราสวดไพร้องนี่น่าฟังมันหมายถึงความสามคัคคีความพร้อมเพรียงเสียงก็เข้ากัน ดูจากฟังเสียงดังก็ต้องค่อยต้องทำให้ค่อยลงหน่อยเสียงค่อยก็ปรับให้ดังขึ้นหน่อย เอากายของเรามามากราบมาไหว้มันเป็นกายกรรมเอามาอ่อนมาน้อมมากราบมาไหว้เอาวายจาของเรามาสวดเป็นกิริยากายที่งามเป็นกิริยาวาจาที่ไพเราะนี่เป็นกิริยาที่เป็นธรรม เฉพาะบทส่วนเป็นบทที่เป็นธรรมะเราว่าให้ได้ตามนั้นอ่ ะ, อะมันมีหลักมีเกณฑ์มีที่ไปมีที่มาแล้วมันก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรานึก์คเราคิดเลยเปิดมันอย่างเรานึกเราคิดเองแล้วก็คุยกันแล้วก็พูดกันแล้วก็อะไรกันไม่ใช่เราพูดตามคาพูดที่เขาม า, า, มาร้อยเอามาเรียงไว้แล้วมันเป็นระเบียบ การที่เราเอาคำพูดของเรามาวาดตามที่เขาร้อยเข้าเรียงไว้แล้วนะั่นน่ะเหมือนกับมันเป็นการร้อยกรองหัวใจของเราใจของเรานึกเป็นระเบียบคิดเป็นระเบียบคิดเป็นอัตเป็นธรรมคิดเป็นเหตุเป็นผลตามที่ท่านท่านเอามาเขียนเอามาจารึกให้เราสวดนั่น ะ, ะเราต้องโ อ, อ้ต้งใจสวดเราได้ความพยายาม ความพยายามนี่แหละเราควรมีความจริงจังจริงใจนี่แหละเราควรมีความอดความทนที่จะเรียกว่าคันติความอดความทนนี่แหละเราควรมีวิริยะอุสาหะความภาคความเพียรเราควรมีคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่เราควรมี การที่เราเอากายของเราเอาวาจาของเรามาใช้ความพยายามมันเป็นการสร้างกรรมดีเพื่อกายดีเพื่อวาจาดีกายดีก็คือกายมีบุญวาจาดีคือวาจามีบุญบุญแปล ว, ว่าความดีผลตามมาคือความสุขบาปคือความไม่ดี ผลตามมาคือความทุกข์ไม่มีใครสักคนหนึ่งเดียวต้องการความทุกข์ไม่มีต้องการความสุขคนทุกชั้นชาติชั้นวันลนะคนทุกประเภทคนทุกยากอับจนคนง้อคนชาดขนาดไหนก็ตามรักสุขเกลียดทุกหวังความสุขหวังความเจริญความหวังในใจของคนทุกคนมีความหวังเหมือนกัน แต่หากมันแตกต่างกันโดยการลงมือสร้างเหตุเวลาเราลงมือสร้างเหตุเราฉลาดมากน้อยไม่เท่ากันอุบายวิธีความโง่ความฉลาดมากน้อยไม่เท่ากันความละเอียดความแยบคายไม่เท่ากันความรอบคอบพิถีพิธันไม่เท่ากันเพราะสติปัญญาไม่เท่ากันได้โย่จะได้ไม่เหมือนกันได้ไม่เท่ากัน เหตุทั้งหลายคนทําไม่เท่ากันได้ก็ได้ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเหตุที่ทําที่กายเหตุที่ทําที่วาจาที่ใจด้วยแล้วเนี่ยเอาอะไรมาเปรียบว่ามันเท่ากัน mm. ไม่มีมันไม่มีอะไรเป็นข้อเปรียบเหมือนอย่างเราเอาคนนั้นบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเอาคนนั้นอีกบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยมาเท่ากันอันนี้เรายกตัวอย่างแต่ผล ดีผลไม่ดีที่ใจที่เราสร้างเราทำเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเพราะเหตุผลย่อ ย, ยนะความเกี่ยวข้องความผูกพันด้วยเหตุด้วยผลเหล่านั้นไม่เท่ากันความรู้ความฉลาดของเราก็ไม่เท่ากันความละเอียดรอไม่เท่ากันมนุษย์เราจึงแตกต่างกันแต่หากรู้อยู่ ทำแล้วได้ประสบความสุขมากน้อยคือหัวใจของดว ง, ดวงของดวงนั้นแหละได้มากน้อยคือเต็มหัวใจของเขา เ, เราก็คือได้รับความสุขมากน้อยอเต็มหัวใจของเราเหมือนอย่างเรามีปากเราพิท้องเราใส่ปากเมื่อกันจะอิ่มท้องอาจจะอิ่มเร็วกว่ากันอิ่มเช้ า, วกว า, กมมากว่ากันอิ่มมากกว่ากันอิ่มน้อยวกว่ากันมันไม่เท่ากัน เอาอะไรมาเปรียบเทียบกันเอาเป็นว่าระวังความสุขความเจริญเอาเป็นเต็มหัวใจของใครของเราก็แล้วกันท่านก็ให้เต็มความสุขความเจริญเต็มหวังของท่านเต็มหัวใจของท่านเราก็ความสุขความเจริญเต็มหวังของเราเต็มหัวใจของเราก็แล้วกันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทําไปไม่มีอะไรมาร้อยมาเรียงว่าเราได้มากได้น้อยเท่ากันไม่เท่ากัน ความอุสาพยายามความจริงจังจริงใจความตั้งใจปดตั้งใจทนความตั้งใจตะเกียกตะกายขวนขวายเป็นกิริยาของคนขยัน เป็นกิริยาของคนฉลาดที่พยายามขวนขวายให้เกิดเหตุเพื่อผลอย่างแท้จริงแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วขี้เกียจคลานที่เรียกว่างอบมืองอตีนขยับซ้ายก็กระดู ก, กระ่วงขยับขวาก็กระดู ก, กระ่วงเอ า, าไงคนจริงจังจริงเป็นคนที่เด็ดขาดแต่ต้องมีปัญญาประกอบด้วยถ้ามมีปัญญา ผลพันธตัดสินใจพึ่งผิดอีกแล้วผลพันธ์ตัดสินใจพึ่งผิดอีกแล้วต้องประกอบไปด้วยปัญญาเด็ดก็คือเราเร็วว่องไวด้วยสติด้วยปัญญาเร็วด้วยเชาด้วยปัญญาว่องไวด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุผลด้วยแพรวพราไปด้วยกลด้วยบ่ายด้วยวิธีในหัวใจคนฉลาดเนี่ย จริงตามนั้นเด็ด er, ตามนั้นต้องอย่างนี้ต้องนี้ไม่ได้อย small, ่างนี้ไม่เอาไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่เหมือนคําที่เราพูดว่าได้ยังไงก็เอาได้ยังไงก็เอาไหนมันไม่เหมือนคนที่จริงจังจะต้องเอาอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ความจริงจังจริงจังจริงใจจึงเป็นจริตนิสัยของใครของเราเป็นสิ่งที่เราควร สร้างควรทำให้เกิดมีเป็นจิตนิสัยของเราเพราะเราจะถึงข้อเท็จจริงได้เราจะต้องเป็นคนจริงเหมือนอย่าเราตั้งใจทาเราจะต้องตั้งใจทาจริงเราเสียสละเวลาเวลามาฝึกฝนมาอบรมเราต้องตั้งใจจริงไม่ทำเล่นๆไม่ทำเสียหายไม่ทำได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาทั้งผิดทั้งถูกทั้งน้นทั้งนี้น มันไม่เด็ดขาดมันไม่จริงจังผลรายได้ที่เราจะพึงได้มันได้ตามความที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจจริงจังเอาเป็นเอาตายขั้นไหนขั้นเลือเดมตายขั้นเอาเป็นเอาตายนั่นน่ะฮะขั้นจริงจังคนเราที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าความจริงจังไม่เท่ากันความหล่อหล่แหละแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละสติปัญญาก็เล่อแหล่หล่อ ความตั้งอกตั้งใจทำก็หล่อหลอนเลยแหละเขาได้สิบเราหนึ่งสองอยังยากนั่นคือความตั้งใจทำไม่เท่ากันเขาก้าวไปปึ๊บๆเราค่อยๆขยับเหมือนค น, คนเขาเดินทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งแออคลานไปตามเขาผลรายได้มันก็ไปตามนั้น ความตั right. Tim, ้งใจเด็ดเดี่ยวจริงจังสรุปมาที่ใจของเราใจของเราดูแล้วมันใสมันชัดมันเจนชัดเจนด้วยอะไรด้วยสติของเราด้วยปัญญาของเราด้วยความตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อเหมือนเราตั้งใจดูเราตั้งใจดูตั้งใจกำหนดจดจ่อมันก็ต้องเห็นเห็นเหตุเกิดขึ้นเห็นเหตุตั้งอยู่ดับไปนี่ เห็นเหตุเกิดขึ้นเห็เหตุต่างอยู่เห็เหตุดับไปนั่นคือสัจธรรมที่เราควรเห็นการที่เราตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อนั่นแหละจะรู้จะเห็นเห็นได้อย่างละเอียดละออแม้แต่เรากำหนดจดจอ่อให้จิตของเราหยุดนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้าเราไม่จริงเราปล่อยรุดมือไปแล้วก็ไม่ตามกำหนดจดจอ่อพูดว่ารุดมือไปแล้วก็ไม่ตามอย่างเงี้ย ดโดยเหตุเราเผลอปับ๊บหลุดมือไปปับ๊บคว้าปับ๊บคว้าไม่ทันสองสามก้าไปแล้วสองสขนาดไปแล้วระลึกได้ก้าวได้วิ่งควา้าเอาคืนมาคราวนี้จะไม่หลุดมือไปแล้วปุ๊บปับป๊บขว้าปั๊บปุบ๊บปั๊บจะหลุดมือปับ๊บคว้าปับ๊บจริงจกักไม่งั้นไม่อยู่ไม่อยู่ท่าสติ สมชัญญาความอดความทนความกำหนดจดจอ่อเพราะอุตส่าห์พยายามของเราเนี่ยเบาบางลงด้วยแล้วเพิ่มพิ่มเดี่ยวตันหาสวมรอยแล้วมันดึงพุโทโธไปแล้วพิ่มเพมเพมเพิมันมสวมรอยมันดึงไปแล้วไม่รู้มันมาตอนไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เส้นผมบางภูเขาไม่เท่ามันรู้ไม่เท่าทันมันน่เอาอะไรมาอยู่อารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ที่เราควรคว้าให้มันอยู่ในมือ ตราบใดตั้งสติรูอยู่ในหัวใจของเราเนะ่ยหัวใจของเราก็สว่างใจหนึ่งเดียวสแสดงโลกในที่ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจไม่มีผู้รู้เหมือนเสาต้นหนึ่งเหมือนวัตถุวัตถุหนึ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรานะไม่มีความหมายอะไรในตัวเองไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเป็นตัวของตัวเองแล้วจะคืออะไรจะเป็นอะไรแต่ใจของเรามันไม่เหมือนวัตถุ ใจของเรามันเป็นธาตุธาตุเหมือนกันมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้เราดูมาที่ใจของเราเราพยายามศึกษาเราเห็นความอัศจรรย์ที่ใจของเราใจของเรามันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันจะมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กับมันตามสติกำลังของสติกำลังของสติกำลังของปัญญาของเรา รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เรานอกจากนั้นเราก็ยังใช้ปัญญากำหนดจดจ่อสอดรูส อ, สอเดเห็นพิจารณาคลี่คลายใกล้คลวครตรายตรองตามรู้ตามเห็นสัจธรรมหลักสักจธรรมใจหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราแล้วก็ข้อพิเศษอีกอันหนึ่งของใจของเราก็คือใจหนึ่งเดียวมีความรู้ชัด ครั้งละหนึ่งอารมณ์คณะจิต <c oughs> แต่ละขณะน่ยจะชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไ อ, อหนึ่งอารมณ์ที่เราพยายามทําให้ชัดนี่แหละเราพยายามคว้ามันอยู่พยักคว้ามันติดมือเมื่อเราจุดไฟสว่างรูไม่ให้มันดับจุดสติจุดปัญญาจุดสัมผััญญาของเราความภาคความเพียรประคับประ ค, ระคองไม่ให้มันดับให้มันซึ้งไมให้มันต่อเนื่องไปนี่ มันมันซื้อไปได้นะมันตอ่อเนื่องไปได้นะไม่งั้นเราจะสงบไม่ได้พอเรากําหนดจดจอรู้ปั๊เราปล่อยปล่อยมันก็หลุดมือแล้วปล่อยมันก็หลุดมือเราไม่ปล่อยสติจาะขึ้นมาสัมมชัญยะประคองสัมมชัญยะคือความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ละเอียดนะรู้ตัวเหมือนอย่างเรารู้จักกายนะ ความเคลื่อนไหวของอะไรก็ตามที่มันมาสัมผัสที่กายของเราเนี่ยก็คือความรู้ตัวความรู้ตัวอีกอันหนึ่งก็คือรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกรู้ว่าหยาบรู้ว่าละเอียดมันสอดแทรกละเอียดลึกออกเข้าไปได้ทั้งหมดรู้ผิดรู้ถูกรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ว่าควรไม่ควรรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะนี่คือความรู้ รู้ว่าเรากำลังนั่งภาวนาภาวนาไปด้วยระลึกรู้ว่าเรากําลังนั่งภาวนาไปมันกรองไปเของมันสมัยจัญญะคือประคองประคองผู้รู้ประคองผู้รู้สติก็เกิดจากใจนั่นแหละสมัยจัญญะก็เกิดจากใจใจหนึ่งเดียวบอกแล้วใจหนึ่งเดียวเป็นท่ารู้เป็นผู้รู้ทําให้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสใจของเราเรารู้ได้หมด อนอกจากนั้นเราส่องสวยงาด้วยสติด้วยปัญญาของเราไปเห็นสิ่งแปลกไปเห็นหลักสักจะธรรมทั่วทั่วไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ในขณะปัจจุบันตามหลักที่เราตั้งออกตั้งใจภาวนานี่คือภาวะของใจใจของเราที่ประกอบไปด้วยกิเลส น, นั้นคือใจมีกองสังขารใจยังเป็นกองสังขารใจยังเป็นกองสังขารในกองสังขานี้มี อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านรงอธรรมตั้งไว้ให้เป็นที่ศึกษาสำหรับเราสำหรับพิจารณาสําหรับพวกเราให้เห็นความไม่คงทนอยู่เท่าเดิมอยู่ไม่ได้ไม่คงไม่คงทนต้องเปลี่ยนไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้ไม่คงทนเป็นทุกขันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่คือภาวะของกองสังขารกองสังขารรูปประทามกองสังขารนามก็ตาม กองสังขารห้องใจก็คือกองสังขนนารน้ำกองสังขารรูปก็คือรูปกายของเราเนี่ยสิ่งที่ประกอบอยู่ในนั้นคืออะไรกองสังขารกายธาตุดิดนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลนั้นมารวมกันมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวอ่าชื่อว่ากองสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันเป็นกองสังขาร นับตั้แต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันมีไตรลักษณ์อยู่ในนั้นจะเปลี่ยนไปจะไม่คงทนอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปไม่คงทนเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังไม่มีใครแม้หนึ่งเดียวสามารถดัดแปลงเป็นอื่นไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะดัดแปลงได้ดัดแปลงเป็นนิจจังดัดแปลงเป็นสุขขงังดัดแปลงเป็นอัตตาดัดแปลงไม่ได้ หาเป็นไปตามหลักธรรมชาติธรรมชาติอย่างหนึ่งเราเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางยอมรับแล้วก็ปล่อยวางเช่นอย่างธรรมชาติกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ชะลอความแก่ชะลอความเจ็บแล้วก็ชะลอความตายทําได้แค่นั้นแหละไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายทําไม่ได้ ท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักหลักธรรมชาติของกายกายนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือภาวะของสังขารจะไม่อยู่เท่าเดิมนี่เริ่มเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักอนิจจังแล้อนิจจังยังไงทุกขังอย่างงั้นทุกขังอยังไงอนิจจังก็ยางนั้นดูให้เห็นให้ประจักษ์ในหัวใจของเราเห็นในบทที่เราเจริญสมมาะเห็นในบทที่เราเจริญวิปัสสนาเพราะอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดในหัวใจของเรา หรือมันจะแอบไปโผลตอนที่เราทํานู่นทํานี้มันฉุกคิดไปขณะได้ขณะหนึ่งก็พยายามจับจับมันได้เลยเพราะเราต้องการสัจธรรมเหล่านี้ให้เป็นประจักพยานในหัวใจของเราอย่าลืมว่ากิเลสคือตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยมันยึดแลกเกินยึดแลกเกินอ่าโดยเหตุที่มันยังง่ออยู่มันไม่ยอมเห็นไม่ยอมเห็นอันนี้จังทุกขันอ น, าานัตตามันก็ยึดอยู่นั่นแหละว่าเราว่าของของเราว่าเราว่าของของเรา อันนี้จังทุกขังอนัตตาทนท้ออยู่เต็มเต็มเต็มตานะ่ะมันไม่ยอมรู้ไม่ยอมมองถ้าหากไม่ใช้สมถะทางวิปัสสนาธรรมเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจะไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้ถ้าตราบใดก็ตามยังไม่ไปรู้ยังไม่ไปเห็นไม่มีโอกาสที่กิเลสนจะจำยอมมันจะจำนนจำยอมแต่ลกสัจธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเท่านั้นอย่างอื่นมันไม่จำนนจายอม พอมันเห็นมันจำนวนจําจอมปั๊บโอ้ตัตตาที่ไหนยึดได้ที่ไหนตัวตนที่ไหนโอ้ธรรมชาติไม่คงที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างงั้นท่านว่านทุกขังยังไงอนิจจังก็ยังนั้นถ้าอนิจจังทั้งทุกทุกขังก็คืออนัตตาเป็นหลักปรัชญาใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้ในพระศาสนาของพระองค์และไม่ใช่ว่าเอามาตั้งไว้ลอยๆ ภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของพระองค์จึงชนะเด็ดขาดนะเกิดมาท่ามกลางอัตตาของศาสนาพราห์พระเจ้าทนบัติมาอนัตตานั่นอุบัติมาท่า ม, า, ามกลางอัตตาของศาสนาพราห์อาจารย์ญญของท่านอุทกดาบทอร阿ระดาบทก็คืออะไรอัตตาเมื่าต้องการความสุขก็เข้าสมมาบัตรรูปสมมาบัตรรูปสมมาบัตรติดในความสุขก็คือติดในอัตตา ถ้าไม่มีอัตตาอาะไรมาสุกถ้าไม่มีอัตตาอาะไรมาสุขนี่แสดงว่าติดอัตตาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเลยปล่อยไม่ได้ต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติไม่มีช่องทางที่จะออกอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านอาจจะไม่ได้บําเพ็ญเหมือนอย่างพุทธเจา้า รูปติจ้าท่านมีบารมีสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าความรู้ของเรามีเธอเอาไปหมดแล้วพระองค์คิดว่าพระองค์เรียนจบแล้วย้อนมาดูพระไทยของพระองค์โอ้ยกองทุกข์เต็มแปร่อยู่ทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลพระพุทองค์เป็นเจ้าชายพิมพาราหุนพระเจ้าสุทโทธนะพระราชทิดาญาติพระวงค์ รา จ, จะสมบัติอยู่ข้างหลังทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะทำให้พระองค์วิตกกังวลได้ยังไงย้อนมายังห่วงอะไรสิ่งเหล่านั้นยังวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นเอ๊ไม่ใช่เพราะการห่วงการกังวลการคิดห่วงคิดใหญ่สิ่งเท่าไรทั้งปวงเหล่านะั้นคือความทุกข์คือกองทุกข์มันทําให้ใจของเราเร่าร้อนไม่เป็นผาสุขวุ่นไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะห่วงใหญ่เพราะวิตกเพราะกังวลอไม่ใช่ไม่ใช่ นี่คือวิสัยของสัมมาสัมพุทธะจะไม่ชินไม่ชาจะไม่ตายใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่อาจารย์ทั้งสองไม่มีทางออกไม่มีช่องออกเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงเวลาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยคิดถึงอาจารย์โอ้ยองคหนึ่งท่านล่วงไปแล้วเจดวันเสียดายเหลือเกินเพราะภูมิจิตท่านละเอียดมากแล้วเนี่ยองหนึ่งเพิ่งล่วงไปแล้วเมื่อเช้านี้โอ้เสียดายเหลือเกินถ้านได้ไปบอกช่องออกเหมือนกับไปเคลียร์แล้วออกจากตานะแก๊กเดี๋ยวโรค ทำใจอย่างนี้เปลี่ยนมาอย่างนี้โลขึ้นมาทันทีไหมเพราะใจละเอียดมากใจรู ป, ปรสมาบัตรรูปสมบัตระละเอียดมากแล้วเสียดายมากเลยเห็นไหมเลยจาเป็นต้องไปหาปัญจวัคคียเพราะปัญจวัคคีเป็นนักบวชปัญจวัคคียเป็นนักบวชแต่เพื่อผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ควรจะได้ก็คือผู้นี้ผู้ที่ตาม ศึกษากับพระองค์นี่แหละผู้นี้แหละควรได้ในเมื่ออาจารย์พลาดไปแล้วก็ต้องตามไปสอนปัญจวัคคียนู้นต้องเดินทางจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปที่เมืองพารณาณสีนู่นนะแคว้นกาสีเมืองพารณาณสีเนีน่ยต้องเดินทางไปตั้งเท่าไหร่นะั่นนะตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหแล้วก็สมัยวิมุติธรรมสมวัวิมุติสุกอยู่49วันหลังจากนั้นแล้วถึงถึงได้ตัดสินพระไทยแล้วก็ ไปสอนไปสอนอเดือนหเดือนเจเดือน8ดวันเพลินเดือน8เท่ากับว่าหมดไปแล้ว49วันสี่สิบวันมันมก็หมดไปเดือนครึ่งกว่าแล้วละ่ะเดือนครึ่งกว่าแล้วเหลือเหือเวลาเท่าไหร่นะพระองค์เสด็จจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปโปรดปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปัตยมฤคทา ย, ยวันหมายว่าพระองค์เนี่ยโรสว่างจ้าไปแล้วละ่ะ ไม่มีอะไรติบกันแล้วเพราะพระองค์ได้เข้าถึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพื่อนเดือนหแล้วโดวยอาสะ ว, ะยายาวัคคยาอิหายบรรเพรีงจ น, จนถึงในขั้นอาสะวัคยาญาณมันมียานอย่างหนึ่งนะยานแปลว่าความรู้ความรู้อย่างหนึ่งมันผุดขึ้นมาบอกว่าภายในพระชัยของพระองค์เนี่ยกิเลสทั้หาอาสะวะภายในพระชัยของพระองค์เนี่ยเกลี้ยงเกลาหมดจดโดยชิ้นเชิง รู้ว่าอาสะวะทั้งหลายมันสิ้นไปอาสะวะขยะขยะแปล ว, ว่าสิ้นไปญาณญาณรู้าอาสะวะทั้งหลายเนี่ยสิ้นไปเกลี้ยงเกลาหมดจดโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนที่ไอไปเรียนจบรู ป, ปรสมบัติอรูปปัสมบัติอันนั้นโอ้ยังมีกองกองทุกกองเต็มหัวใจอยู่แต่พอมาถึงตอนนี้เกลี้ยงเกลาหมดจดโดยสิ้นเชิงทันนี้นก็ความรู้แปลกๆก็เกิดขึ้นมากับพระองค์ เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมธรรมจักรเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นถึง อ, อย่างนั้นพระองค์จะไม่ยังไม่ยังยังไม่ปฏิญาณมาโภคเป็นสัมมาสัมพุทธะสิ่งที่พระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนคืออริยสัจ ท, ทั้งสีทุกสมุทัยนิโรธมาในความรู้ที่พระองค์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ฉันเรียกว่ารอบสามอาการสิบสองทุกก็มีรอบสามสมุทัยก็มีรอบสาม นิโรธก็มีรอบสามมรร ก, ก็มีรอบสามสามสี่สิบสองรอบสามอาการสิบสองมีพยานอย่างทราบโอ้นี่ทุกมีพยานบ่อยทุกคนกำหนดรู้มีพยานบอกอีกว่าทุกคนกำหนดรู้กําหนดรู้แล้วนะจบสมุทยัยควรละโอ้นี่สมุทยัยสมุทยัยควรละละได้แล้วโอ้นิโรธควรทําให้แจ้ง นี่คือนิโรธนิโราควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วมักควรเจริญอันนี้คือมากมากควรเจริญเจริญให้มากแล้วที่เรียกว่ารอบสามอาการสิบสองเพราะฉะนั้นญานญาญญาญจักคุ้งอุตปานี่จักคุญาญปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วภายในพระไัรของรรพระองค์ตราบใดทพระองค์ไม่เข้าถึงญาณทัศนะทั้งหลายทุกวงเหล่านี้พระองค์ ไม่กล้าปฏิญาณตนว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะโดยเหตุที่พระทัยของพระองค์เน่ยเต็มแพร่ด้วยคุณสมบัติดยย้วยญาณทัศนะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พระองค์กล้าพูดเต็มปากว่าพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมพุทธะบ่ยนะิบับญญัตว์ขีก็ฟังปัญญัตว์ขีก็ไม่ค่อยจะอยากเชื่อเพราะตอนนั้นเสียออกเสียใจร้องไห้จางมาเพราะอะไรเพราะเห็นว่าพระองค์เนี่ยคลายความเพียนใช่ไหมคลายความเพียนเปี่ยนไปเพื่อเป็นผู้มาก ฉันไหนเลยจะได้มาบรรลุสมาสัมปธิยาได้เล่าก็ท่านคลายความเพียรแล้วเวียนไปเพื่อเป็นผู้มากๆแล้วจะได้ตรัสรู้ได้ยังไงเธอทั้งหลายเคยได้ยินเราพูดอย่างนี้ไหมตั้งแต่การไหนไหนฟังบนเออใช่เพราะผมไม่เคยตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงทําให้ฟังเธ อ, อจะได้รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงให้ฟังแน่เพราะฉะนั้นแสดงธรรมจับจบได้ดวงตาเห็นธรรมแค่พระอัญญาโกณธรรัญญะ องเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นอาจจะยังไม่เริ่มสายศรัทธาด้วยซ้ําไปว่าปะพัฒเสยมหานามอัศจริอาจะออจะยังไม่เชื่ออาจจะยังไม่เลื่อมสายพ อ, อแต่ท่านก็พูดอีกทีหนึ่งว่าพระัญญาโกรทัญญาท่านสร้างบารมีมาเพื่อ<ม>เพื่อะอะไรๆคอยได้เป็นปฐมงานเถอะคอยได้ก่อนคอยได้ก่อนคอยได้ก่อนพอเวลามาเป็นประาภาษาพวกท่านก็เลยได้บรรลุธรรมก่อ น, นหนึ่งเดียวธรรมะการแรกเนี่ยท่านแสดงจบ มีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดบบาบันแค่แค่หนึ่งเดียวคือพระอัญญาโกลธัญญาเนื้อหาที่ท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่อบรรลุธรรมก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตายังกิจิสมุทญธรร ม, มัสัพ บ, บันตังนิโรธาธรร ม, มังมีครูอาจารย์บางองค์ท่านมาพูดว่าโอ้พระติเจ้าแสดงธรร ม, ม ก, กันแท้เกือบไม่ได้อะไรเลยโอ้ เราฟังแล้วเราคนลุกตามเกือบลุดมาาลุดมือไปโอ้ oh, มาตรองตามหลังไม่ใช่เราจะได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเรามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระองค์ขึ้นอยู่กับเราบุญญาบารมีของเรายังไม่พอมันอยากพระัญญาโกณัญญาวัฏฏัทธยะมหานามาสชิท่านจะรู้มากน้อยเท er ่าไรก็ตามมันเป็นเรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าท่านหมดจดโดยชิ้นเชิงแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วับะพระองค์ะจะบรรลุก็ตามไม่บรรลุก็ตามไม่มีปัญหาสรบพระองค์พระองค์หมดปัญหาโดยโดยชิ้นเชิงแล้วปัญหาขึ้นอยู่กับพวกเรากองทุกกิเลสเต็มแปร่ทั้งหลายขึ้นอยู่กับหัวใจของพวกเรานะพระองค์ทรงกล่อมกล่าด้วยธรรมะเบ็ะเล็จนะว่าปะพัทธิยะมหานามะอัศจรรย์วันละองวันละองวันละองค์ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือใจเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คืออะไรกระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่แก้แหวนเงินทองที่ไหนคําว่ากระแสธรรมก็ ค, คือกระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือกระแสของธรรมชาติแท้ที่จริงการตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติเพื่อเข้าไปรู้ทั่วถึงหลักของธรรมชาติธรรมชาติกายของเราเป็นไงธรรมชาติใจของเราเป็นไง ร่างกายของเรากับวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราหมดทั้งไตรโลกธาตุมีภาวะเหมือนกันเนี่ยเข้าไปรู้หลักธรรมชาติของกายที่ไปที่มาของกายที่มาของกายที่ตั้งโยงกายและที่จะไปของกายคืออะไรเป็นอะไรเนี่ยที่มาของนามคือใจที่ตั้งโยงกาที่จะไปจะมาของใจการที่มีกิเลสมาเจริญว่าเงินหัวใจของเราการที่มี ธรรมะที่จะมาพึงจัดการกิเลสทาให้ธรรมะเจริญเงาะเงินในหัวใจของเราต้องมารู้ภาวะของกายของเราของใจของเรานเข้าไปรู้หลักธรรมชาติในกายของเราในใจของเราเข้าไปรู้อย่างญาณทัศนะที่เรียกว่าญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นมีความปักใจยอมรับเต็มรอยเหนียวเนี่ยมันคง ทำลายสักกายอาทิฐิเมื่อก่อนนั้นยึดมั่นถือมั่นแล้วเกินว่ากายเรากายของของเราอัตตาตัวตนของเราเต็มแปร่พอเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปเพราะฉะนั้นท่านจะว่าละสักกายอทิฐิได้สําคัญมั่นหมายว่าที่เคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเรากายของของเราเห็นสักว่าเป็นกายแล้วไอ้คำว่าเราเราของเราเรามีในกายกายมีในเรามันเริ่มมันเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มห่านไปแล้ว แค่จริงเราย้อนมาที่ผู้รู้ของเรากับภาวะของกายของเราเราย้อนมาดูดิที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราพยายามย้อนมาดูย้อนมาดูภาวะของผู้รู้ของเรากับย้อนมาดูภาวะของกายของเราอ่าภาวะของกายของเราก็เป็นอีอย่างเป็นรูปธรรมภาวะของผู้รู้ของเราก็คือใจของเรารู้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถรู้ละเอียดซึมซาบ เข้าไปในหลักธรรมชาติอันนี้ที่จะเรียกว่าญาณทนะัศนนะ์ญาณทัศนกําหนดจอดจอรู้ได้เลยไม่ต้องไปรือ้อไปคน้นไม่ร้องไม่ต้องไปไปช้อนชายหาเงื่อนหางําหาอะไรต่ออะไรเลยย้อนลงปั๊บโรย่อนลงปั๊บกรโรเข้าใจเข้าไปรู้เข้าเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นญาณทนะัศน์ทัศน์คือความเห็นเห็นหด้วยญาณ ปัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นข้อเท็จจริงของอนิจจังทุกขังนาาิพพาเห็นภายในใจของท่านเองเห็นภายในพระไทรเห็นภายในใจของท่านเองเห็นตามธรรมะที่พุทธิยถาท่านทรงสแสดงธรรมแม้พุทธิยถาท่านทรงสแสดงธรรมไปด้วยทั้งกับตรองตามไปด้วยถ้งข้าท่านดูตามไปด้วยเพราะจิตของพระองค์อัศจรรย์อะ แสดงทำด้วยจอดูหัวใจหัวใจของพระองค์ก็เห็นหัวใจของลูกศิษย์ก็เห็นโอ้ราชาคนที่จะได้รู้แล้วหนอัญญาคนที่ะได้รู้แล้วหนอทําให้พระองค์นี่อุทา h k ขึ้นหนอโอ้อัญญาสิวัฏโภคนัญยนญาสิวัฏโภคนัญยศคนทัญยศได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอคือรู้ตามพระองค์รู้ข้อเท็จจริงตามพระองค์รู้ว่าสัจธรรมเหล่านั้นน่ะมีภาวะมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงภาวะธรรมชาติอย่างยังไงนี่คือสัจธรรม นี่คือกระแสของธรรมะลุงตาเวลาล like ุงตาทันเทศท่านเปรียวว่าเหมือนกับน้ําที่มันไหลไหลลงจากห SI ้วยเล็กไปหาห้วยใหญ่จากห้วยใหญ่ลงไปหาแม่น้ําจากแม่น้ําไหลลงมหาสมุทรนะครับเลยมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนไปถึงแม่น้ําใหญ่จจนไปถึงแม่น้ําใหญ่แม่น้ำอย่างไหลเอื่อยไปเรื่อยไหลเอื่อยไปเรื่อยจนไปถึงมหาสมุทร จนไปถึงมหาสมุทรใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเข้าไปถึงกระแสเหมือนกระแสน้ำมันเข้าไปรวมกันมันจะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรืย่ยไหลไปเรืยไหลไปจนถึงมหาสมุทรมหาสมุทรคือมหาวิมุตต์ความหลุดความพ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาพ้นจากภาวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงว่า อัตตาตัวตนอัตตาตัวตนทกกรดาบุรลากระดาบุตท่านยังถืออัตตาเต็มแปร่อัตตาคือตัวตนตัวตนอันหนึ่งเราเห็นสําคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งคืออัตภาพร่างกายของเราเราเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งมีหัวมีแขนสองมีลําตัวมีขาเนี้ยนี่แหละคือตัวคือตนแน่พราะงั้เวลาพระพุทเจ้าท่านให้พิจารณาท่านจึงให้แยกแยก เป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังถ้าให้แยกให้แยกการที่เราแยกแยะคือเราเอาใจมาทําการที่เราเอาใจมาทําเพราะใจเรามันตีบตันต่อเหตุต่อปัจจัยสี่เหล่านี้มันพาให้ยิดว่าเป็นก้อนเป็นแท่งว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นคณะที่จะเรียกว่าเป็นก้อนเป็นแท่งคณะคอระคังนอหนูคณะแปลว่าเป็นความเป็นก้อนความเป็นแท่งความเป็นสันฐาน มีหัวมีลําตัวมีแขนมีขาเนี่ยนี่แหละคืออัตตนี่แหละคืออัตตาแต่ถ้าหากเรายังไม่มีสติปัญญาพอมันมองเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าหาเรามีสติเรามีปัญญาเรามองเห็นสักธรรเป็นธาตุท่านให้เราพิจารณาให้เห็นสักธรรเป็นธาตุเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันนี่คือคือแยกเป็นส่วนของธาตุดินเป็นน้ําดีน้ำเสลดน้ําเหลืองน้ําเลือดนี่ท่านให้แยกเป็นส่วนของธาตุน้ํา กายก็คือภาวะของดินของน้ําของลมของไฟมันเกาะกลุ่มกันนี่คือภาวะของธรรมชาติพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักหลักธรรมชาติท่านสอนให้แยกให้แยกแยกแย ก, แยกเพื่อทําลายความเป็นตัวเป็นตเนตวเวลาเราเอาจิตของเราหย่อนมาดูมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้มันก็มีอยู่อย่างงี้จรงิจรงๆแต่ถ้าหากกิเลมันมัดในหัวใจของเรามันทําให้เราสําคัญมั่นหมายหมายเอาว่าเป็นตัวเป็นตนตมันหมายที่ใจนะอะ พยายามพิจารณาพยายามกำหนดจดจอย้อนขับดูอัตตาตัวตัวตวนที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ในเราขาดสติขาดสมยามัญญะให้ตัณหามันพาเรานึกเราคิดมันหมายเอาว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตน ว, ว่าเป็นเราไ อ, อ, อ้ตัวนี้ตัวไ ร, ร้กาเนี่ยโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาถือเราถือเขาถือมึงถือกูมันก็โผล่ขึ้นมาถือเกียรติถือศักดิ์ศรีถือยศถือศักดิ์ถือสูงถือต่ำถือรวยถือจนถือสารพัด ถือเกิดข้อเทียบเคียงเกิดความสําคัญมันหมายยึดเอาถือเอาถือดีถือชั่วดีกว่าเขายึดเอาว่าดีกว่าเขายึดเอาว่าดีกว่าเขานี่ก็ผิดดีกว่าเขายึดเอาว่าเสมอเขาดีกว่าเขายึดเอาว่าเลวกว่าเขานี่นี่ผิดผิดทั้งหมดดีก็รู้ว่าดีเสมอก็รู้ว่าเสมอแล้วก็ปล่อยเร็วกว่าก็คือรู้แ่ารวกว่าเอ เร็วกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเส ม, มอเขาเสมอเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขานี่คือการถือตัวการถือตัวคือการเปรียบเทียบทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมาหากเราย้อนดูไปในหัวใจของเราเราจะเห็นเวลาอัด ต, ตาตัวตรงมันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาคุณจดจอ่จอเหมือนอย่างเราเจริญสติเย่นี้ สติของเราเนี่ยถูกหลอนหลอมด้วยให้จิตของเราถูกหลอนหลอมด้วยสติด้วยสัมผััญญาของเราเนี่ยจิตของเราจะตื่นรูสว่างรู้หยุดตันหามันแทรกเข้ามาไม่ได้อัตตาตัวตวนโผล่ไม่ได้อย่าลืมว่าตราบใดตันหามันแทรกเข้ามาอัดตามก็โผล่ขึ้นมาตราบใดอัตตามันโผล่ขึ้นมาตันหามันก็แทรกเข้ามามันเป็นอันเดียวกันตัวนี้แหละตัวพายึดพาถือตัวอัตตาตัวตัวตัวนั้น กำหนดจดจ่อ ด, ดูอันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านจะให้เจริญสติการเจริญสติเจริญได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนกําหนดผู้รู้ให้เด่นใหรน้รู้อยู่ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาทุกขณะของจิตไม่มันคลาดไปจากอารมณ์ในขณะปัจจุบันตื่นรู้อยู่ตลอดในเมื่อมันจุดไฟสว่างโรูอยู่ตลอดความมืดมันก็ครอบงาจิตของเราไม่ได้อวิชชามันก็ครอบจิตของเราไม่ได้ ตราบใดอาวิชามาครอบงาําจิตของเราจิตของเราไม่มืดจิตของเราสว่างจิตของเราไม่โง่จิตของเรามีความรู้ที่เรรียกวิชาวิชาจิตของเรามีความรู้จิตของเราประศิษจ์อวิชาเพราะอะไรเพราะจิตประกายคือผู้รู้รู้อยู่ในหัวใจของเราเตันหาแทรกเข้าม า, มาได้อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาไม่ได้เดินอย่างนี้เลยเดิญอยู่จนเป็นจิติตจนเป็นนิสัยของเราจ น, จนชํานาญจนคล่องแคล่ว นี่คือการเข้ามารู้เข้ามาเห็นตัวคนตัวบายตัวมายาของกิเลสตัณหาไปในหนึว้ใจของเราที่มันเสแสร้งแกล้งหมายให้เรายึดให้เราถือให้เราเกาะอย่าลืมว่ามันพาเรายึดเราถือเราเกาะมันหมายมันพาเราหมายอะไรอ น, นัตถามมาความทุกข์เท่าไรทั้งปวงเหลานัตตธรรมมาหมายนู้นก็ความทุกข์ก็ตามมาหมายนี้ความทุกข์เท่าไรก็ปวงก็ตามมาเพราะการที่มันสําคัญมันหมายแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละครั้งนั่นะ มันคาดมันเดาแล้วก็ยึดเดามันคาดมันเดาแล้วก็ยึดเอามันเอาผู้รู้นี่แหละไปบังคับสิ่งรอบข้างให้เป็นไปตามใจหวังของมันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามใจหวังเราเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาเป็นไปตามปเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของเขาแต่ใจนี่แหละเอาผู้รู้ของตัวเองไปบังคับนะี่เช่นอย่างเรา บังคับคนนั้นให้ทําให้ถูกใจเราบังคับคนนี้ให้ทําให้ถูกใจเราบังคับคนนั้นให้ทําให้ถูกใจเราบังคับฝนฟ้าอากาศให้เป็นไปตามใจหวังของเราให้ถูกใจเราบังคับให้เกี่ยวข้องกับอะไรครับทุกข์กับอันนั้นบังคับให้เกี่ยวข้องกับอะไรกับทุกข์กับอันนั้นฉันอยากร่างกายเราต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ไม่อยากแก่เนี่ยคือบังคับไม่อยากเจ็บนี่ก็คือบังคับไม่อยากตายนี่ก็คือบังคับแล้วมันบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ ถูกไหมทุกมันทำไม่ได้กับทุกเพราะฉะนั้นท่านให้ดูวหาเห็นแล้วก็ปล่อยดูว่าเห็นก็ปล่อยเพราะมันยึดไม่ได้มันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราจึยึดได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ของเราเราจึงยึดไม่ได้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องเป็นอัตตาด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาถ้าเป็นของเราเราจึงให้นิจจังได้เราจึงให้สุขขังได้ด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้เนี่ยเรามาดูที่ท่านพูด เจมแจ้งในอนัตตลักษณสูตรเนี่ยท่านพูดถึงอนัตตาอนัตตาอนัตตาคือภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วจะเอาอะไรไปถือเอาอะไรไปสําคัญมั่นหมายและความทุกข์เท่าไหลายจะไปเกาะตรงไหนในเมื่อทําลายภายชนะอ น, นั้นแล้วภาชนะที่มันความทุกภาชนะที่คอยเก็บกองทุกนั่นแนหะคืออุปาทานอุปาทานเนะี่ยในเมื่อตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้อุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้พบมันก็หมดชาติมันก็หมด เอาอะไรมาใส่ภาชนะเหล่านั้นอ่ะถูกทุบถูกตีถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกทําลายแล้วจะเอาอรายมาเก็บไม่มีอะไรไปสําคัญมั่นหมายมายึดมา ย, ยึดเอามาถือเอาความทุกข์ทั้งหลายมันจะไปเกาะมันจะไปขังอยู่กับอะไรมันไม่มีอะไรขังเพราะมันอนัตตามันไม่มีอะไรไปขังพ้นจากภาวะของอัต์ตาพ้นจากภาวะของอนัตตาในที่สุดก็คืออนิจจังก็เป็นไปตามภาวะของมันรู้แล้วก็ปล่อย ทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามภาวะขวัญรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยผู้รู้มีอยู่ผู้ปล่อยมีอยู่สิ่งที่ถูกรู้มีอยู่สิ่งที่ถูกปล่อยมีอยู่มันคนละอันแต่สำหรับหัวใหญ่ของปุถุชนเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้รู้กับผู้ยึดอันเดียวกันเอาอะไรมาปล่อยล่ะผู้รู้กับผู้ยึดมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ท่านพิจารณาสติปัญญาละเอียดลึกเข้าไปท่านเห็นว่าผู้รู้ต่างหากสิ่งที่ถูกรู้ก็ต่างหากสิ่งที่ยึดต่างหากสิ่งที่ถูกยึดต่างหากตัวผู้ยึดอีกต่างหากมันคนละอันกันตัวผู้ยึดต่างหากสิ่งที่ถูกยึดอีกต่างหากในที่สุดเราก็สัจธรรมรู้เราไม่ยึดสัจธรรมรู้ สักเทว่ารู้ที่ทําได้อยู่ย้อนมาที่ใจของเราสักเทว่ารู้ทําได้ไหมสักเทว่ารู้ทําได้อยู่ไม่ใช่เราลองกําหนดรู้ลองดูกับอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงที่สุดเรากําหนดรู้ปับ๊บฮะมันก็ดับไปแล้วอย่าลืมว่าขณะของจิตของเรานะั่นขณะใหม่มันไปนลบล้างขณะเก่าอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นขณะใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมา ถ้าเพื่อเราดําริธรรมเนี่ยขอให้เป็นขณะของธรรมขณะใหม่ที่จะเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกขอให้เป็นขณะของธรรมเช่นอย่างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธให้เป็นขณะของธรรมให้มันมีแต่เรื่องของธรรมธรรมธรรมธรรมธรรมแต่ถ้าเป็นขณะใหม่เป็นเรื่องของกิเลสแนะ่ธรรมะก็ถูกทับไปแล้วหายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่งขึ้นจะเพิ่ ง, งโผล่ลขึ้นมาในหัวใจของเราเราพิจารณาให้ดีนะ เราพิจารณาให้ดีอันนี้ละเอียดนะเราพูดถึงข้างในหัวใจของเราเนี่ยเราพูดถึงมันมันมันเข้าได้ทั้งหลักของสมถะเข้าได้ทั้งหลักหลักของอุปัชฌนาเพราะเราพูดถึงหลักในแง่ของการเจริญสมาสติสติคือตั้งสติโรค้ํากับจิตของเราเนี่ยแท้ที่จริงเราก็มีแค่นี้ผู้รู้ของเราดังที่เล่าให้ฟังให้แ น, แน่เบื้องต้นไม่ปรากฏ เกิดขึ้นตั้งแต่กับการโพเรชา่นไหนเราทราบไม่ได้เราเกิดขึ้นมาแต่ละคนไม่ใช่เราเพิ่งเกิดเกิดมากี่อาศองไขกลับมาแล้วเราก็ไม่รู้เนิ่นนานทั้งเท่าไหร่ถ้าเรามีพระยานอย่างทราบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุในวันเพียงเดือนหปุ๊บเพนิวาสารสุติญาณเราดูสิเราลึกย้อนหลังไปถึงภพชาติขอากรงลึกย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบลึกย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเกิดแก่เจ็บตายเกิดแค่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายโอ้น้าเบื่อหนายแล้วเกิดเน้อเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ยามทำกลางจุดู ป, ปัฏิญาณเห็นภพชาติของสัตว์จิติแกับเปลี่ยนไปจุติเกิดแล้วก็จุติไปเกิดแล้วก็จิติไปเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปรวมทั้งภพชาติของพระองค์รวมทั้งภพชาติของสัตว์เกิดขึ้นด้วยเหตุใดตั้งอยู่ด้วยเหตุใดดับไปด้วยเหตุใดรู้ทะลุผุโปร่ปปรงหมดเนี่ยเลย น, น่าเบื่อห่ายมากคือภพชาติมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมามารุกี่อสองไขยกับฟังเทพระองค์สร้างบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากับฟังดูเถอะ แสนมหากรับพวกเราแต่กลับหนึ่งกรับหนึ่งเขเหลือเหลือบาเหลือแบกแล้วอา่าอย่างสมัยทุกวันเนี่ยท่านถือว่าพัทระกรับพัทธะกรับยังอยู่นะพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วสี่พระองค์ยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เนี่ยยังไม่หมดหนึ่งกลับนะเนี่ยนี่หนึ่งกลับนะเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแสนมหากับมันเท่าไหร่แสนมหากรับนี่คือนี่แค่กําไรแสนมหากรับอันนี้แค่นับได้นะ ได้ที่นับไม่ได so so so so so so so so ้ที่เราเรียกว่าอสงไข่สองไขยแล้วก็บางประเภทอีกแปสงไขยบางประเภทอีกสิบสองไข่เราคมาคิดดูสิพวกเราเป็นเหยื่อของโลกวัตตาสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดที่ไหนคือแก่เจ็บตายเกิดที่ไหนคือแก่เจ็บตายพฤติกรรมที่เราต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เราทำเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์ก็ทําบุญได้ทําบาปได้เกิดเป็นคนก็ทําบุญได้ทําบาปได้ เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่ก็ทำบุญได้ทําบาปได้บุญกรรมนั่นแหละมันเป็นไปตามพฤติกรรมที่เราทําพบชาติของเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นอะมันรู้จบจบเพราะพบชาตินั้นคือพบชาติที่มีผู้รู้ที่เป็นกองสังขารย่อมเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิของตัวเองไปเรื่อยไม่มีที่จะอยู่คงที่ไม่มีเนี่ยไม่มีที่อยู่คงที่ไม่มีนี่คือกองสังขารตรงกันข้ามที่ไม่ใช่กองสังขาร พระจิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านชำระได้หมดจดแล้วไม่เป็นกองสังขารท่านไม่เรียกกองสังขารเพระจิตที่ชะำระได้หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วน่ยจะคงที่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะไม่มีพบจะไม่มีภูมิจะดำรงตนอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นตลอดอนันตการตลอดอนันตการไม่มีช้าไม่มีเร็วไม่มีท่านนั้นปีท่านี้เดือนไม่มีพบไม่มีภูมิที่จะไปบัติ ดำรงตนอยู่ในภาวะอยู่อย่างนั้นแหละตลอดอนันตการอยู่ยังไงก็อยู่อย่างภาวะผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงตราอีกอย่างหนึ่งว่าประมังสุขัานี่คือบรมสุขบรมสุขประมังสุขานประมังสุขันไม่ต้องมากระดุกกระดิกพลิกแปลงไปยึดนั้นถือนี่ยึดนี้ถือ น, น, น, นั่นสำคัญมันหมายนั้นสำคัญมันหมายนี้ดึงกองทุกกองโทษเหมือนอย่างพวกเราที่เร า, เราคิดของเรายังมีกองสังขารยังมีเยื่อใหญ่ยังมีเศษมีเด่นยังมียางเหนียวคือ อวิชชาตันหาวปาทานสิ่งเหล่านี้แหละเป็นยางเหนียวเป็นยอดพืชเป็นยอดอ่อนของพืชกรรมเหมือนกับเนื้อนายอดอ่อนคือวิญญาเน่ยเป็นยอดอ่อนของพืชที่จะทําให้เราไปเจริญงอกเงยในในในกรรมในเนื้อนากรรมมันเป็นเนื้อนาถ้าเราจะเทียบกับเป็นพืชดูนะกรรมเหมือนกับเนื้อนาวิญญาณน่ยเป็นพืชตันหามันเป็นยางเหนียวในยอดอ่อนของพืชที่มันจะไปเจริญ ยอดอ่อนของพืชหรือเมล็ดของพืชเมล็ดของพืชที่ข้างในยางในมันหมดมันหมดแล้วมันหมดยางเหนียวแล้วเนี่ยเอาไปเพาะเอาไปอะไรยังไงมันก็ไม่ขึ้นอ่าเชนอยางต้นยางดอกยางหมากยางเนี่ยหมากยางหมากตะเคียนเนี่ยพราะร่วงการร่วงเวลามันไปแล้วเนี่ยเอาไปเพาะมันไม่ขึ้นดอกเพราะยางเหนียวมันตายหมดแล้วยางเหนียวมันตายหมดแล้วพอมันร่วงจากต้นมาพับ พึงพ่งๆสันหน่อยหนึ่งก็ยืดเ อ, อ, อ, อ, อาด้วเอาไปเคาะไปรดน้ำน่ะเอาใบไม้มาโปะโป ộ, ปะรดน้ําให้ชุม่มชื้นอ้าวขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งแตกแล้วนะแต่ถ้าเอาไปไว้จนยางเหนียวของมันเหี่ยวไปหมดแห้งไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่เรามาเปรียบเทียบแต่อย่าอย่าลืมว่ายางเหนียวในใจของเราเนะ่ยถ้าเราไม่มีโอกาสได้ชะได้ล้างอยู่ๆเหี่ยวเหี่ยวด้วยแดดด้วยฝนเหมือนยาง มาของต้นของตะเขียนมาของต้นยางเนี่ยมันเหี่ยวไม่ได้จะหลุดจะร่วงจากหัวใจของเราจะต้องผ่านการต่อสู้จะต้องผ่านการขัดการเกลา้ากันหดจดจ่อด้วยสติด้วยสัมผััญญาด้วยความภาคความเพียรของเราตรงการข้ามแล้วอยู่อย่างนั้นแหละเอามาเปรียบเทียบกันเฉย ยางเหนียวของตันหาในหัวใจของเรากับยางเหนียวในยอดอ่อนของพืชมันคนละเรื่องคนละโรคแต่เพียงแต่เปรียบเทียบพอเราได้ยินในฝั่งพอเป็นเหตุให้เรามีข้อเปรียบเทียบเป็นอุปมาเป็นข้อเข้าใจเท่านั้นเองมาของพืชมันจะไปเจอเงาะเหนือยได้เพราะว่ามันมียางเหนียวข้างในมันมียอดอ่อนข้างในหัวใจของเราตันหาในหัวใจของเราน่ยมันเป็นยางเหนียวถ้าจะเปรียบกับพืชก็เหมือนยางเป็นยอดอ่อนของพืช ที่มันมีอยู่ในในเม็ดของมันน่ะตัณหาคืออะไรย้อนมาที่หัวใจของเราตัณหาคือความอยากในหัวใจของเรามันเป็นสั์จธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนตัณหาไม่มีตัวไม่มีตนพอเวลาเราแก้ได้แล้วเนี่ยหายหน้าปลิ้นหน้าหายไปเลยเวลาเราแก้ไปแล้วหายหน้าไปเลยเราทดสอบดูให้มันเห็นลูกเห็นเหลนเห็นหลานของมันน่ะให้มันปลิ้นหน้าหายไปในขณะที่เรานั่งภาวนาน เราจะทดสอบได้ไนหะลองทดสอบเดี๋ยวนี้ดูเกิดความอยากขึ้นมาจอใส่มันดูมันหายหน้าไปเลยมันปลิ้นหายไปเลยเวลาเราชะได้ล้างได้มันปลิ้นหน้าหายไปเลยไม่เหลือซากให้เราเห็นหรอกมันเป็นสั จ, จธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนคือความอยากในใจของเราด้วยเห็นนั้นความอยากในใจของคนเรานั้นพุทธิยถาท่านทรงฉลาดแต่ก็ดูเราก็ดูเธอะสร้างบัดบุญญาบา ร, รมีมาเท่าไหร่ กว่าจะได้บรรลุสมความมุม่งมั่นปรารถนาสมประสงค์ของพระองค์กว่าจะมีสติมีปัญญาอย่างจำแรกไปให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจตรงนี้นึ่มันง่ายหรือมันยากขนาดไหนเราเราดูเถอะพระพทธเจ้าท่านมีความสามารถมีความสามารถด้วยสติด้วยปัญญาด้วยบรรุญญาด้วยบารมีจกักรลักษณ์ด้วยฤทิ์ด้วยเดชด้วยอภิญญาสรพัดจนสามารถปลุกฝังภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทสืบท อ, อดมาจนถึงพวกเรา แล้วก็เป็นสัจธรรมหนึ่งเดียวในโลกไม่ว่าหัวใจของคนของสัตว์ชาติไหนวันนะไหนตระกูลไหนชาติชั้นวันนะไหนเชื้อชาติศาสนาไหนวันถึ่หัวใจดวงนั้นเนี่ยเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงนี้สามารถรู้ต้นตอเหตุแห่งกองทุกสามารถลกต้นตอเหตุแห่งแห่งทุกู้ที่ไปที่มาของความทุกข์ เราก็สามารถดับทุกข์ทั้งหลายในหัวใจของเราได้พ้นทุกข์พ้นโทษในหัวใจของเราได้ไม่สําคัญว่าคนนั้นจะถือศาสนาอะไรไม่สําคัญว่าคนนั้นจะเป็นชาติอะไรขอให้มีจิตยังเข้าถึงหลักสัจจะทำที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนแล้วพ้นทุกข์พ้นโทษได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเลือกไม่มีเลือกอเราก็ดูมิจฉาทิฏฐิสมัยพระองค์ยังทรงพระชนมอยู่เน่ยเวลาพระองค์กลับใจได้นะ เวลาประองค์กลับใจได้เขาเข้าถึงธรรมใช่ไหมจิตเพราะจิตข อ, ของเขาเข้าถึงธรรมก็เข้าสามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกระแสเขาทำเหล่านั้นสามารถสลักสามารถปล่อยสามารถละส า, สามารถวางกลายเป็นสติปัญญากับผู้รู้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันสติปัญญากับผู้รู้นเป็นอันเดียวกันท่องทะลุชํำแร่ไปตรงไหนเนี่ยอ่ามันจะไปทําลายกระจายหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัว น, นมองทะลุผุโปร่งไปหมดนี่ คือพระพริชาสามารถของพระพุทธเจ้าเอาวิชาการเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเราทําให้เราตั้งใจดําเนินตามขั้นให้ทานเราก็มีความสุขขั้นตั้งใจรักษาศีลมันก็เป็นการต่อกก น, กนกันกับกักบกิเลสแล้วขั้นตั้งใจรักษาศีล<ม>อยิ่งเรามาเจริญสมถะหรือเจริญมหาสติเนี่ยมันเป็นการต่อกก่นกับกิเลสในใจของเราโดยตรงเลยเป็นการชะล้างถูกที่ชะล้างถูกจุด มาขัดมาเกาที่จะทำให้เลื่อมแพรวพราวถูกจุดคือใจของเรายอดกมาอตรงนี้เอาอะไรมาขัดมาขัดม้ชะมลางเอาสติธรรมเอาสัมผััญญาธรรมเอาความภาคความเพียรความอดความทนวิทยาธรรมขันติธรรมความอดความทนความอุตสาห์พยายามความขยันมันเพียรความไม่ขี้เกียจขี้ครานความให้ความสาคัญความให้โอกาส ความพอใจที่ตั้งจะตั้ง อ, อกตั้งใจทเนี่ไม่งั้นโอกาสที่ธรรมะเหล่านี้จะเจริญงอ้อเงินหัวใจของเราเจริญได้ยากเกิดไม่ได้มีความจำเป็นมีความสำคัญอยู่ต่อไปนี้เรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนานะ พูดถึงก้นบึ้งลึกๆแล้วให้เราตั้งใจเผาหนาย ใ, ใจมัอยู่ ใ, ใจมันสงบตัวที่มาปลุกให้จิตของเราตื่นร้ออยู่ก็คือสติธรรมสติก็คือความระลึกได้อารมณ์ยับยับมาเน่ยระลึกได้ยับมาเน่ยระลึกได้ยบมาเน่ยระลึกได้ระลึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดระลึกได้ขณะทำขณะพูดขณะคิดรวดเร็ว กิขึ้นจากอะไรเกิขึ้นในผู้รู้เกิดขึ้นจากผู้รู้เราจะว่าอะไรเราจะว่าสติก็ได้เราจะว่าปัญญาก็ได้เราจะว่าผู้รู้ก็ได้เราก็เราจะความสว่างในหวัวใจของเราก็ได้พอที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเรื่องคําเรื่องศัพท์เรื่องแสงเรื่องอะไรอย่างอื่นเป็นเรื่องมาประกอบมาตั้งข้างนอกแต่ถ้าเรื่องกิริยาการของธรรมะข้างใน น, นั้นแหะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราพยายามดูข้อเท็จจริงในหัวใจของเรา เราจะไม่ต้องไม่ไม่เราจะไม่สงสัยเราไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาสับเอาแสงเหานั้นมาตีกันล่ะอ่าเฮ้ยอันนี้ทำไมเหมือนกันนั้นอันนั้นทำไมขัดกับอันนี้ดูไปตัวตัวของจริงของมันในหัวใจของเราเลยอ่าต้องตั้งใจภาวนาไป ใก้สามทุม่มเราจะนั่งภาวนาไปสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เลืออีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พูดคุยสักถามอะไรกันได้เราไปเล้กสี่ทุม่มยังเหลือนะอีกเป็นชั่วโมงนะเหลืออีกเป็นชั่วโมงโว เป็นโอกาสเป็นเวลาโฉดและเกินยิ้มยิ้มย่องในงหัวใจของเราโอ้เหลืออีกทั้งชั่วโมงหนึง่งยิ้มย่องนั่งขึ้นบรนลังโโรเหมือนอะไรเหมือนเราเข้าสู่ที่ปลอดปลอดจากอสราพิษเราเข้าสู่ที่ปลอดปลอดภยัยจากภัยอันตรายขึ้นอยู่ในที่ปลอดภยัยสว่างโร ร, โ ร, ร, รู้เด่นอ๋อลองทําให้เกิดความรู้สึกเป็นอย่างั้น จะสมภาคสมภูมิเราจะได้รับความภาคภูมิใจที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทาทำบุญทำความดีให้เกิดขึ้นใน ห, หัวใจของเรา